สำหรับการแนะนําในการเจริญเป็นกรรมฐานในวันนี้ก็จะขอจุดใหญ่สําคัญมาแนะนําบรรดาท่าน ห, หลายก่อนให้ถือว่าคําสอนคราวนี้เป็นคราวในระยะต่อไปนี้เป็นคําสอนมาตรฐานประจําสํานักเป็นการสอนประจํากันในสํานักของเราและจะเป็นถือเป็นการมาตรฐานในการปฏิบัติ ในวันแรกนี้ก็ยัขอเอาพระธรรมอันหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลใดปฏิบัติได้ครบถ้วนท่านผู้นั้นจะเข้าถึงความเป็นผู้สาเร็จทุกอย่างตามที่ตนตระสง์ทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ว่าวันนี้ในที่นี้เราพูดกันเฉพาะธรรม เรื่องของโลกไม่เกี่ยวโลกจะดีโลกจะชั่วยอย่างไรไม่มีความสำคัญเพราะคำว่าดีของโลกไม่มีอะโลกมีแต่เลวมันดีก็ดีแบบหลอกๆโลกท่านแปลว่ามีอันที่จะต้องสิบหายไปศัพท์นี้ยังจงอย่าถือว่าเป็นคำหยาบเป็นศัพท์ปกติของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ของหยาบไม่ใช่ของโลนไม่ใช่ของน่าเกลียดด้านนี้คำสอนในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอิทธิบาทมีสีบรายการอิทธิบาทแปลว่าคุณธรรมที่ทำให้สม็จความประสงค์ทุกอย่างต้องมีกับท่านทุกท่านอย่าถือว่าไม่ไหวนะ คำว่าไม่ไหวคำว่าไม่สามารถจะต้องไม่มีกระสาวพระอ ง, องค์ ส, สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วก็ไปเถอะไปอยู่ที่ไหนก็ไปที่นี่ไม่ต้องการคําว่าไม่ไหวของคนใดคนหนึ่งแล้วก็คนในสำนักเรานี่ที่ยังปากเสียใจเสียอยู่นั้นเลิกกันสินะถ้าไม่เลิก ไม่ชาที่นี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันรับไว้ไม่ไหวไล่กละอย่าให้มันมีมันอยู่ในสำนักของสมณะแปลคู่สงบยังจะมีอารมณ์เสียอยู่อีกเนี่ยมันนั่งอยู่ก็ททำไมไปที่อื่นเสียก็หมดเรื่องหมดราวไปตอนนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอ ถ้ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอนี่ก็เลยทำคนอื่นเ็าเสียด้วยสำหรับอิทธิบาทสีน่นี่มีอย่างนี้นึ่ชั้นทะความพอใจคือพอใจในการปฏิบัติความดีสองวิทยะมีความเพียรสามจิตตะมีใจจดจ่ออยู่ในเสียงนั้น สี่วิมังสาใช้ปัญญาควบคุมอยู่เสมอหมายความว่าใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์อยู่ตลอดเวลาหรือว่าปัญญาในที่นี้ต้องใช้ไข่ควนเป็นตัวนําอยู่เสมอที่เรียกกันว่าสัมมาทิฏฐินีออ่อิธิบาทสี่ข้อที่หนึ่งฉันทะพอใจอะไร พวกเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรหรือว่าเข้ามาอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาเพื่ออะไรผมก็อยากข อ, อนําถ้อยคําการขอบรรดาลชาเอาสมัยก่อนเอาสมัยใหม่นี่ผมไม่คอยากจะคบนักเพราะอะไรๆมันใหม่ไปหมดเลยผมไม่ค่อยชอบของใหม่ราคาถูกของเก่าราคาแพงอย่างพระพุทธรูป ของเก่าราคาพแพงกัของใหม่มาก <c oughs> นี่การคำขอบัรชาก็มีกันของเก่าราคาแพงกัของใหม่มีจุดหนึ่งที่ได้กล่าวว่านิพานสสะสติกิริยายะเอตังกาสาวาังกิโตาซึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับค้ากาสาวะพัฒเพื่อจำทำให้แจ้งเสียงนิพันธ์ นี่เราขอบรรยายชามาเรามีความมุ่งหมายอย่างนี้เวลานี้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็ยังมีถ้อยคำว่าต้องการพันิพยานอยู่เหมือนกันนี่เป็นอนวุวาคปฏิยาณของเราที่เราจะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราต้องการอะไรเป็นอนวุวาเราต้องการพันิพยาน ในเมื่อเราต้องการพรนิพพานแล้วเวลาเราพอใจเราจะพอใจอะไรฉันพระความพอใจเราก็ต้องพอใจในพระนิพพานนี่การที่จะพอใจในพระนิพพานเนี่ยเขาทํำยังไงกันถึงจะถึงพระนิพพานตอนนี้ไปเราก็ไปดูคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่จะเข้าถึงบุิพานได้นี่ก็ต้องขุดรากขุดเงาทองกรรมที่เป็นขุศนที่งให้หมดได้ก็นหนึ่งตัดโลภะความโลภออกจากจิตด้วยเมื่อด้วยการให้ทานสองขุดความโกรธความเพียรบาทจองร้านจองผาญออกจากจิตใช้ให้หมดด้ืยอาศัยการทรงตุมวิหารสี่ สามแตกความหลงออกไปเสียหมดเดิมหน่ายขมัญญาที่พิจรารณาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในกายและกายไม่มีในเราเมื่อสรุปรวงมง่ายเดียวทีเรียกว่าเราก็พอใจในในอริยสัจสี่เคนึว่าสภาวะของโลกทั้งหมดเป็นทุกข์เอาง่ายๆชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ เจราริทุกขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำไปทุกขังความตายเป็นทุกข์โศกปริเทวทุกขโทมนัสสบายยากความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์และความพัดพราดเจ้าของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความจริงข้อนี้ผมพูดฟรีหลายสิบครั้งแต่ว่าท่านหลายผู้รับฟังนะี่ย เป็นพระสูตรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าจำไม่ได้ไหมเ้าก็นำไปคิดนำไปพิจารณาบ้างหรือเปล่าเป็นพระหูสูตรแล้วเรเป็นพระโหรูดถ้าเป็นพระโหรูดมันก็จำอะไรไม่ได้รูดปิดเข้าไว้รูดกลางให้ไหลออกส่วนที่ย้ห้เข้ารูดปิดซะก่อนมันก็ไม่เข้า โซนี้เข้าไปแล้วลูกให้กว้างเทออกมันก็เลยไม่ล้ไม่มีอะไรกันนี่ถ้าเป็นพระสูตรจริงๆตั้งใจจริงๆเพื่อความดีเราก็ต้องจำกัให้ได้มาเป็นของไม่อยากแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดวสิกนิดสิว่าไอ้อไรที่มันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ยังไง ขณะที่เราจะเกิดเราอาจจะไม่รู้ขณะที่นอนอยู่ในท้องแม่ท้องพ่อเราอาจจะไม่รู้แต่ความจริงมันทุกข์อยู่ในท้องแม่ตอนนั้นทาแม่กินของร้อนจัดร้อนเดื อ, อ ด, ด, ด, ด, ดร้อนเป็นทุกข์กินของเปิดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเดือดร้อนเป็นทุกข์แม่ใช้กําลังกายเคลื่อนไหวมากเกินไปเป็นทุกข์อยู่ข้างในมันเลย โยเวียงไปเวียงมาแม่เดินแรงแรงวิ่งแร ง, ง, งแรงนี่มันก็เป็นทุกข์ต่อมาเมื่อร่างกายโตขึ้นมาเมื่อร่างกายโตขึ้นมาแล้วเหยียดขาเหยียดแข้งเหยียดขาไม่ไหวนั่งคุ้ยคู่คอยู่ในท้องแม่เป็นทุกข์มันจะเมื่อยก็เมื่อยมันจะปวดก็ปวดมันก็เหยียดไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ ถ้าไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์ว่างๆลงนั่งกอดเขา่าเล่งโก้กโก้สัสามชั่วโมงแบบคนที่อยู่ในท้องนั่งคุกคูค้เอาเขายันขึ้นมาทั้งอกเอาแขนรัดเขาไว้อย่างนี้ลงนั่งพิจารณาดูและอยู่ในท้องแม่เป็นเดือนๆแบบนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนเราจะมีทุกขเวทนาใดๆท่านพูดเป็นแม่ก็ไม่ทราบ เด็กที่ต้องตายในท้องจะนับไม่ทวนตัรว่ามารดาบิดดามองไม่เห็นทุกข์ของลูกภายในว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างนี่ขณะที่เกิดมันทั้งในมันไปทุกข์ทมองไม่เห็นออกมาจากคันมารดาขณะที่อยู่ในคันมารดาเนี่มันก็ทุกข์ออกมาแล้ว อยู่ในคั้นมันดาและความอบอุ่นจากไฟธาตุของร่างกายมันดาออกมากระทบกับอากาศไปใหม่คือการแสบตัวเสียงร้องจ้าตับรายกฏนั้นแสนแดงว่ามันทุกข์หนักเจ็บแสบทั้งตัวนั่นก็เป็นทุกข์พอออกมาเป็นเด็กขี่ตรงนั้นเยี่ยวตรงนั้นมันเลอะเทอะไปหมดเด็กก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนธรรมดา อาการสุรกปรกโสโคกอย่างนั้นมันทนไม่ไหวที่จะร้องออกมาแสดงถึงความทุกข์ถ้ า, า จ, ะ, อออจ ะ, ะหิวอาหารต้องการจะกินอาหารไม่ก็ยังไม่รู้จะต้องร้องออกมาแล้วคุณจะรู้ว่าหิวมันหิวจนทนไม่ไหวจริงต้องร้องนี่มันก็เป็นอาการของความทุกขร์รวมความว่าเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วาาหาอะไรเป็นสุขไม่ได้ อรอารมณ์สั้นๆแปลว่าความหิวความกระหายทุกวันนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายทุกวันที่ปรากฏมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บางครั้งมีความปรารถนาไม่สมหวังมันมีความสุขหรือความทุกข์าการปวดอุจจาระปัสสาวะมันสุขหรือมันทุกข์เป็รทุกข์ถ้ามันจะตายขมันอะไรมันสุขหรือมันทุกข์ นี่ถ้าคนนั่งคิดเอากับสตามความเป็นจริงใช้ปัญญานิดเดียวนี่มันก็เห็นมาทุกข์แต่คนมีตากระทูหูกระทะเท่านั้นเป็นโฟกัหูรูดไม่ใช่พระโหสุดถ้าพระโหสุดแล้วก็เขารู้ทุกข์กันมานานแล้วนี่มื่อทุกข์ไม่เกิดขึ้นมาอย่างนี้จะต้องพัฒนาเวลานี้มันหมดมันเกินเวลา แล้วก็ไม่มีความจำเป็นทุกคนมันมีทุกอยู่แล้วถ้าใช้ปัญญานิดเดียวก็มองเห็นนี่ก็เป็นนั่งว่าทุกมันมาจากไหนนี่เราพอใจมองความทุกข์ชันทะทุกมันก็มาจากความอยากที่เรียกกันว่าตัญหาอยากอะไรอยากรักในเพื่อนในเพศตรงกันข้ามอยากรวยอยากโลด อยากหลงว่านั่นเป็นข้องกูนี่เป็นข้องกูนั่นมันทุกอย่างทุกเสียงทุกเสียง ท, ท, ทุกอย่างเป็นข้องกูไปหมดนี่อาศัยความอยากที่กล่าวมานี่แล้วมันเป็นปัจจัยให้เกิดเพราะว่ายังติดความอยากอยู่เพียงใดเราก็ต้องเกิดมาหาความทุกข์ในเมื่อเรามีความอยากอยู่มันทุกเรายังขืนอยากต่อไปเราก็หาความสุขไม่ได้ อะไรทำยังไงก็หาทางทำลายความทุกข์ทำลายเหตุของความทุกข์คือความอยากไอกหนึ่งอยากรักมทำลายยากแล้วเกินอยากรวยมันอยากมาชสนนานแล้วทำลายยากไออยากโกรธอยากเพยาาียบัดทำลายยากอยากหลงว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราทำลายยาก ทำไมจีว่อยากเพราะมันติดใจมานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละสำคัญนะส่งเสริมให้ลูกหลานทั้งหลายสร้างความทุกข์อยู่ตลอดเวลาตั้งนี้พ่อไทยก็พบว่าพอลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเถออยากจะหาคู่ครองให้ลูก มันจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาไปเสียแต่ไ่ถามตัวเองว่าการมีลูกมีหลานมันเป็นสุขเป็นทุกข์เรก็โอ้ทุกข์เลยเกินจ้ะแต่มันเดือดร้อนลูกแต่ละคนเลี้ยงมากกว่าจะโตได้ก็เสียเงินเสียทองกระทบกระทั่งอา ร, รมณ์ที่ไม่พอใจบางคนลูกกระตันยูไม่รู้คนก็เสียอกเสียใจแต่ความทุกอย่างนี้มันมีแก่ตัวนั้ตัวไม่ได้จํา เมื่อลูกสาวลูกชายโตขึ้นอยากจะหาครูครองให้คิดว่ามันจะได้เป็นฝังเป็นฝามันจะได้มีความสุขก็ไอตัวเองเนีสร้างเพราบมาความทุกข์มาแล้วถ้าคนอื่นมันก็ทบ ป, ประสบเหตุอย่างไรเราดันเข้ามันจะเป็นคพ่อท่านแม่น่ะแหละเป็นครูที่ดีที่สุดสั่งให้แต่เกียรติแต่กายโลกโมโทสันไม่มีจังหวะดแตหากินได้สมมาชีวะพระพุทธเจ้าไม่ว่า สอนให้โกงเขาบ้งางให้เยือย่อทรีพย์ทราบสินเขาบ้งางให้ยักย่อเขาบ้างนี่พระพุทธเจ้าทรงทำนีว่าเป็นความโลภข้อสําคัญก็อยู่ที่พ่อแม่เนี่ยสำคัญแต่พ่อดีแม่ดีแล้วลูกมันเสียไม่ได้ให้ลูกเดียวเสียได้เพราะพ่อไม่ดีแม่ไม่ดีมาตอนเด็กๆตามใจกันเกินไปเอาลูกไว้ไม่ได้แล้วก็มนนานั่งเป็นทุกข์ ในความโกรธความพยายามบัตนี่กับแม่กันคบค้าสมาคมกันมานานผู้ใหญ่มื่จะสอนเด็กเสมอให้จําไว้ว่าใครก็ทําไม่ถูกใจคิดแก้มือคิดถักล้างให้ได้นี่ก็อาศัยผู้ใหญ่ไม่ดีสอนให้เด็กเสียแล้วนี่เราก็เลยเสียไป้ต่คนก็ถอนไม่ออกให้การจํามันนั่นของเรานี่ของเราหนึ่งของเร า, เราคนแก่แสนจะแก่หนังเหี่ยวหนังย่นเคยไม่เคยคิดว่าตนจะตาย ยังคิดห่วงใยสอนดูสอนหลานว่านอนเขากลัวหนีเขากูันั่งเขา ก, ขกูแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเนี่แหลตัวอาจารย์ใหญ่มันอยู่ในบ้านนี่เราจะมาต่อต้านอารมณ์แบบนี้มันก็ต้องหนักหน่อยเพื่อมาตั้งสร้างอารมณ์กันใหม่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสารพันดาจึงแนะนําว่าต้องใช้วิทยะความเพียรอย่างหนัก ใช่เหตุใช้ผลว่าทำไมหนอเราจึงจะตัดราคะความรักในเพศียได้ทำอย่างไรหนอเราจึงจะตัดโลภะความโลภียได้ทำอย่างไรหนอเราจะตัดความโกรธความจำบาดียได้ทำอย่างไรหนอเราจึงจะตัดความหลงเียได้เพราะไอตัวทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ในอริยสัจ ต่มาแล้วก็นั่งพิจารณาพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสวัรศรีว่าท่านแนะนําว่าอย่างไงขอการยัดความรักในเพศหรือก็ตรงช่างใช้กายกตานุสติกรรมฐานก้าวสุภกรมฐานที่เข้าประหารมรหารมันไม่ช้าความรักในเพศมันก็สลายตัวเพราะปัญญาไม่เกิดรู้ความเป็นจริง เราจะจัดความโลภโมโทสันก็ใช้เมตตาคุณาโ่อสมการมีการให้ฐานเป็นการปลักดันความโลภให้ออกไปเราจะทำลายความโกรธความยี่ยมบายเาได้อำนาจพรหมวิหารสี่เราจะเป็นผู้ไมยธธ่ยึดถือเเราจะมีเป็นผู้มีปัญญาเข้าใจตามความจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พองเรา อันนี้อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณาดูร่างกายมันเชื่อาบ้างไหมเราเลี้ยงมันเท่าไรแนะนำมันเท่าไรมันไม่เคยเชื่อนี่ตัวนี้จะทำลายมันได้ครับมันไม่ก็มีกำลังต่อต้านมากก็ต้องใช้วิทยาความเพียงคยเคาะปฏิญแลกเคาะปฏิญ น, น้อยไม่ใช่ว่าจะมาทำกันทีเดียวหมดวันนี้ยังไม่เคาะนะ พระวันเริ่มต้นให้รู้จักใช่ที่บาทซีต่อมาองค์สมเด็จพระมหาวันนี้จัดว่าจะให้มีผลจริงๆต้องเอาใจเข้าไปจดจ่อในเรื่องนั้นมาเสมอคือจิตตะเหมือนกับที่อาบายไว้ในพระมวบสสดวันนี้ว่าคำภาวนาหรือว่าพิจารณาเนี่ยยารลอยให้ว่างจากอารมณ์ของจิตคืออย่าให้เจตวนว่าง ถ้าจิตไม่ว่าจาก่าภารากิจการงานอย่างอื่นแล้วก็ภาวนาไว้พิจารณาไว้มันก็จะทรงอารมณ์อยู่สบายอารมณ์จะทรงอยู่เมื่ออารมณ์ทรงอยู่แล้วการใช้คำภาวนาทําให้จิตทรงตัวมีสติสัมปชัญญะการใช้พิจารณาเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเหตุแต่งสาเร็จการนี้ต้องจิตตาขรรยาจดจอ่อจ้องเข้าไว้เสมอแย่กมันคลาดจากจิต เมื่ออารมณ์จิตของเราสามารถจะทรงอารมณ์นี้อย่างนี้ได้เป็นปกติหมายความว่าอารมณ์ไม่ว่างว่างจากการคิดอย่างอื่นเมื่อไรคำภาวนาเกิดขึ้นกับใจทันทีหรือว่าอารมณ์พิจารณาเกิดขึ้นกับใจทันทีถามท้าบางทีท่านจะบอกว่าไอ้อย่างนี้ไม่ไหวแต่ผมก็ต้องตอบว่าไหวไม่เห็นมันยากสร้างอารมณ์ให้มันชิน ภาวนาว่ายังไงพิจารณาว่ายังไงไม่ได้จำกัดไว้ชอบใจอะไรเอาได้หมดเพราะ่าคราวนี้เราจะสอนมหาธิปทานกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเริ่มไปได้วยมหาุติปทานสดแบบพิสดารและก็จะสอนกันไว้ประเภทเป็นมาตรฐานประจาสานัก ต่อไปก็ใช้มาหาปฏิปฐานนั่งโสดเป็นปกติและความจริงตอนเชา้ามืดท่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสียงควรจะใช้ปฏิปทาาริยะคือประสูดาบันกับบารมีสิบราการบนตอนเช้ามืดไว้ก็จะมีประโยชน์และก็สระดับกันอย่างอื่นบ้างเป็นการทบทวนกำลังใจพระบรรดาท่านผู้รับฟังได้กำหนดถูก ในเมื่อเราใช้จิตใจจดจ่ออยู่อย่างนี้ครัก็จะบอกว่าอยากคุณจะตอบว่าไม่ยากเมื่อมีอารมณ์ชินและอารมณ์จิตมันมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเองเราว่าอารมณ์นิดหนึ่งมันจะจับอารมณ์นั้นขึ้นมาทันทีและหลังจากนั้นองสมเด็จพระจินสีก็ใช้วิบงังคาตัวนี้เป็นตัวสำคัญ ก่อนที่จะทําอะไรลงไปก่อนที่พระจภัฒนาก่อนที่จะพิจรารณาแล้วจะใช้ฉันทาความรักความพอใจวิริยะความเพียรจิตใจใจจิ ต, จ, ต, จ, ตจิตตาอาจิตใจประจจอ์ตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเพียเค ร, ร, รื่องพิจารณาพิจารณาไว้เสมอว่าสิ่งที่เราจะทําอย่างนี้การพอใจอย่างนี้ ถูกต้องตามบทวัญญัติที่องสมเด็จปัญนาสีบรมศาสนดาสัมมาสุพเทจเจ้าทรงนะนำไว้ไ ห, รหรือเปล่าถ้าถูกต้องตามนั้นใช้ได้ถ้าไม่ตรงใช้ไม่ได้จะรู้ได้ยังไงตำรับตำรามีคำสอนมีจะทำเป็นพวกพระโหรูทนะจงเป็นพระโหสรถ้าทำเป็นพระโหรูทแล้วก็ ลงเอาเวจีมาหาอนุรกกันแน่เพราะอยู่ในเขตปูชนีญาบคนนุคคลีนเขตปูชนียาสถานชาว บ, บ้านชาวเมืองเขาไหวชาวบ้านชาวเมืองเขายกมือไหวเ้าบูชาเขาให้ข้าวกินเราไม่ใช่เราวัตธรรมดาต้องทำตัวให้ถูกต้องตอนนี้เราจะใช้ความภาคเพียงก็ต้องเพียงให้มันถูกจงังหวะ เทียนอย่างไหนจะสังหารอะไรกันแน่คําว่าสังหารนี่ไม่ใช่สังหารคนสังหารกิเลสจะจับจะเล่นใจการข้อไหนกันแน่แล้วก็รับฟังกันต่อไปถ้าคําสอนนี่มันจะช้าไปแล้วก็เอาแบบฉบับเก่าๆมหาวิทยาลานันสุทธอดีคําสอนไปกินอากาศสารธรรมเราได้คู่มือกรรมฐานก็มีมีอยู่แล้วตำ ร, ราตารามีครบถ้วน ไม่น่าจะมีอะไรที่ใช้คาว่าไม่รู้ว่าเป็นเครื่องปฏิบัติและ ก, ก, ก่อนจะใช้จิตตะก็ใช้ปัญญาไข่ควรแท้ดีเป็นอันว่าวิมังสาขอ้อนี้เป็นตัวที่มีความสําคัญที่สุดต้องใช้ประกอบอยู่ตลอดเวลาพย า, ายามไค่ควรอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราจะควรทำมันจะถูกจะต้องจะผิดตัวการใด เราจะแก้จุดไหนมันจะถูกไหมพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงถ้าแก้แบบนี้องค์สมเด็จปัญญาซีทรงแนะนำแล้วเปล่าก็ามาถูกแล้วมันผิดนี่เป็นอันว่าถ้าพวกเราทั้งหมดมีที่บาต ท, ทั้งสี่ประการปฏิบัติควบคุมกำลังใจไว้ปฏิบัติตั้งทั้งพระวินัยและธรรมะและสมถวิปัสนา คำว่ายากในการในปฏิบัติทางการปฏิบัติมันก็ไม่มีแต่ว่าที่ทำอะไรกันไม่ได้ดีก็ขาดอธิบาตสีบวชเข้ามาแล้วก็เรียกว่าศัก์แต่ว่าบวชไม่ได้มุ่งความดีในพระพุทธศาสนาเป็นอุปสมะบัชีกาบวชอาศัยศาสนากินอย่างเดียวเท่านั้น อย่างนี้ก็เป็นเหื่อของอาบายภูมิอราบรรดาท่านประโยคาวนจรท่างหลายสหรับการแนะนำกันในวันนี้เห็นว่าจะเป็นการสมควรก็เวลาต่อจานี้ไปอราบรรดาท่านทัหลายจงปฏิบัตธิธรรมตามกำลังใจที่ท่านตั้งใจไว้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอารมณ์จิตจงคิดไว้เสมอว่า เรามุ่งเป็นพระอริยเจ้ากันไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งบวชให้เปลืองข้าวของเชื้อบ้านอย่างเดียวซึ่งไปไม่เกิดประโยชน์พระอริยเจ้าเบื้องต้นคือเป็นโสดาบันออต้องการโดยเฉพาะหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานคิดไว้สองความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยเคารพในพระพุทธเจ้าพระรรมและพระอริยสง ไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขอ ง, องสมเด็จพระ ส, มรสัยยะสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาสามมีศีลบริสุทธิ์สี่มีอุปสมานุษสติกรรมฐานเป็นกำลังใจคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์การปฏิบัติของท่านจะนั่งอยู่ท่านไหนก็ได้ตามอัธยาศัยจะยืนก็ได้จะเดินโดยแบบจงกรมก็ได้จะนอนก็ได้ เวลาเลิกท่านจะเลิกเวลาไหนก็ยเป็นไปตามอัธยาศัยของท่านจะไม่กําหนดเวลาให้แล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งใจปฏิบัติความดีตามคําแนะนําขององค์สมเด็จปินณศรีบรมศาสันดาสมาสมพุทัยเจ้าที่แนะนํามาแล้วนี้จนกว่าจะได้เวลาสมควรของท่านสวัสดีแล้วก็สําหรับอย่างอื่นก็ถือว่าให้เป็นเพศความรู้ อย่าที่เรียกว่าเป็นเรื่องของที่ชาสามหาปิญญาของปฎิสมิทายานั่นก็จะไว้เป็นในคัดเศษสําหรับที่จะออกให้รัฐ น, นันไลนารับฟังไปรับไปฟังกันเองแต่ว่าสําหรับเรื่องมหาปฏิปทานสูตรนี้สอนแนละ้วก็บันทึกไว้ด้วยและต่อไปก็ยัให้รับฟังกันตลอดตลอดไปเพราะว่าหลักสูตรในมหาปฏิปทานนนสูตร แต่ละข้อแม้แตอนาปานบับองค์สมเด็จตัว ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสอนยา น, นิพานหมดเป็นอันว่าทำอย่างเดียวถึงนิพานเลยไม่ต้องไปทำกันทั้งหมดจะ้งสี่บาปสี่เบิกทางกำบับเดียวถึงนิพาน ท่านสอนว่าอย่งงางนั้นจริงๆคราวนี้จริงจะบอกว่าจะสอนมหาปฏิปทานนิสสุกันอย่างเต็มแบบฉบับจริงๆแต่ถ้าเป็นแนวสอก็เล่นเบเรนแะน่แต่ผมไม่สนใจเรื่องสือผมสนใจเรื่องเสียงแต่ก่อนที่เราจะสอนแนะนํากันในเรื่องมหาปฏิปทานนิสสุก็อย่าเพิ่งเอามหาปฏิปทานนิสสมาว่ากันก่อน เมื่อคืนวานนี้ผมได้โพสดถึงอิธิบาทสี่อันนี้ต้องระวังระวังให้ดีนะว่าในด้านจรณะสนะิบห้าเนี่ยผมถือว่าทุกท่านจำได้หมดเมื่อจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้หมด อย่ามีท่านองใดองหนึ่งมาอ้างบอกว่าจาไม่ได้หรือไม่ได้ฟังที่นี่ไม่มีความต้องการจะได้ยินได้ยินถ่อยคำประเภทนี้คือไม่อยากจะได้ยินแล้วก็ไม่ต้องการจะได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็ไม่รับทราบถือว่าเข้ามาอยู่ในสานักนี้แล้วต้องทราบแล้วก็ปฏิบัติได้ ถ้าท่านองค์ใดหรือท่านบนใดเดรยียนว่าไม่สามารถก็รีก ย, ย้ายไปเชือก่อนเข้าพรรษามิฉะนั้นเมื่อเวลาเข้าพรรษาแล้วจะลาบากคำว่าไม่รู้ย่อมไม่มีในฐานะที่เราอยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาที่ว่านั่งหลอกนั่งหลวงชาบ้านเขาว่าเราเป็นพระเป็นเลนเพื่อประโยชน์อะไรที่นี่ไม่ต้องการ ไม่ต้องการเอาเงินไปซื้อคนชั่วเขามาไว้ในสำนักความจริงผมอยู่ในสภาพเวลานี้ก็คล้ายๆกับซื้อคนเขไว้เพราะว่าผมจะต้องลงทุนทุกอย่างเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายประจำอยู่ในเกณฑ์หนึ่งมื่น 1, บาทเศษที่มันใช้จ่ายกันเป็นภายในที่ว่าไม่เป็นมัทโ ก, ก่อสร้างขึ้นมาแต่เงินจำนวนนี้แต่ผมจะซื้อเอา เลี้ยงเอาคนชั่วเข้าไว้นี่ผมก็เสียดายสตังของผมให้เสตังก็ไม่ใช่สตังของผมเสตางของชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาให้มาด้วยบูชาพระพุทธเจ้าแต่แต่ตว่าได้เอาคนชั่วเข้ามาเลี้ยงเข้าไวน้นี่มันก็เสียข้าวเสียของเสียสธาปศาธ า, าของชาวบ้านเหมือนกับเอาปุ๋ยไปใส่ต้นขี้กานี่มันจะมีประโยชน์อะไร ฉันขอท่านทั้งหลายจงมีความเข้าใจเสช่นว่าที่นี่ไม่ต้องการปริมาณของคนไมายควาคนชั่วคนดีไม่รู้ฉันต้องการดั้นั้นค่อยคนมากที่นี่ไม่ต้องการคนมากต้องการแต่คนดีแต่คนดีมากพอใจถ้ามากแล้วชั่วไม่พอใจถ้าไม่ต้องการ <c oughs> เดี๋ยวก็อยาหาว่าสนับสนุนให้คนให้ชั่ว เอาทุกท่านรู้ตัวไว้ด้วยนี้ก่อนที่เราจะพูดกันถึงสมมาหาสติปัฏฐานาสูตรเมื่อวานนี้พูดถึงอิทธิบาทสี่ต้องจำให้ได้แล้วก็ทำให้ได้นะอยาะ่ามาอาว่าจำไม่ได้ทำไม่ได้ยังนี้ไม่ได้ถ้าอาว่าจำไม่ได้ทำไม่ได้เชิญออกไปได้ทันที ที่นี่ไม่มีการเปลววิงสําหรับคนที่ไม่มีสมรรถภาพแล้วก็อยากให้ออกไปให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้นี่ก่อนจะพูดเรื่องมหาปฏิปฐานวันนี้ก็พูดเรื่องบารมีต่อในอิทธิบาทสี่เราต้องทําให้ครบถ้วนนอกจากนั้นก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐาน ด้วยการนี้เข้ามาเป็นพระเป็นเลงคนดีจะเจริญแลอไม่เจริญก็ตามจะต้องปรับปรุงบรารมีสิบให้ครบถ้วนนี่ถือเป็นกฎตายตัวอีกเหมือนกันอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดให้ฟังเฉยๆนะเรื่องที่พูดให้ฟังนี่ให้ถือว่าต้องนำปฏิปไตปฏิบัติได้ครบถ้วน แต่ว่าท่านองค์ใดไม่สามารถจะปฏิบัติครบถ้วนได้ก็าจงทราบว่าท่านองค์นั้นเป็นบุคคลที่สำนักนี้ไม่พึงปรารถนาเอาไว้ถ้าหาคนปฏิบัติไม่ได้เลยทั้งหมดผมอยู่ขององค์เดียวสบายอยู่คนเดียวมีความสุขแต่ว่าคนดีอยู่มากผมชอบใจผมก็มีความสุขถ้าคนเลวอยู่ไม่แต่คนเดียวผมก็มีความทุกข์ผมไม่ต้องการ เป็นอันว่าบ ร, รมีสิบรยการนี้ต้องทำให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าถือว่าเปิดบทใหม่นะยังไม่รู้ยังไม่ศึกษานี่แม้แต่คนที่ยังไม่มาคนที่มาทีหลังยังไม่มาก็ต้องถือว่ารู้ด้วยต้องถือว่าปฏิบัติว่าครบด้วยถ้าเขาทำไม่ได้ก็จะต้องเชิญเขากลับไปนี่ทราบ กำหนดะระเบียบภายในของเราไว้นี่คำว่าบารมีนี่แปลว่าเต็มคือว่าทำกำลังใจให้เต็มจำให้ดีนะมีสิอย่างคือหนึ่งทางการให้ เรามีอารมณ์อยู่เสมอว่าเราจะสงเคราะห์คนสัตว์อื่นให้มีความสุขตามกําลังที่เราจะเป็งให้ได้ถ้าเราสามารถจะสงเคราะห์ได้ด้วยวัตถุแล้วก็ให้ด้วยวัตถุถ้าเราไม่มีวัตถุเราก็จะสงเคราะห์ด้วยกําลังทางกายเขาช่วยเหลือถ้าไม่สามารถจะสงเคราะห์ด้วยกําลังทางกายได้เราก็จะสงเคราะห์ด้วยปัญญา ตอนี้สำหรับการให้เราเต็มใจยอยู่เสมอเพื่อการให้นี่มันตัดการสะสมบุคคลผู้ต้องการให้เียไม่ใช่เขามันเป็นการตัดการสะสมตัดความโลภในการตัดความโลภในการให้ในองค์สมเด็จตุสมาสมุทธเจ้าถิวดีเป็นกิจของพิสุสัมเนินทั้งหมดหรือท่านประโยคน์ข่าวจรหลายจะต้องทํา แต่ว่าการให้นี่ก็ต้องดูคนไม่ใช่ศักแต่ว่าคนเราก็ให้ถ้าให้แล้วจะเป็นโทษย้อนมาภายหลังก็จะยกง ด, ดการให้เสียให้แล้วจะเดือดร้อนให้แล้วจะมีภัยอันตรายงดไม่ให้ไม่ใช่ว่าจะให้ดักก็ต้องดูการควรให้ไม่ควรให้ทั้งนี้ก็ต้องดูดูตัวอย่างองค์สมเด็จตถาสมาสมุทธเจ้า ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสแสดงวัรรมเทศนาโปรดใครองค์สมเด็จพระจอมไตร่ต้องพิจรารณาก่อนว่าการเทศนี้จะมีผลไหมแต่ว่าเทศไปไม่มีผลองค์สมเด็จพระทศพลก็ไม่เทศนี่การให้ทานของเราก็เหมือนกันจิตเราพร้อมเพื่อการให้ก็เป็นการตัดโลภ ค, ความโลภ ไม่ใช่พร้อมเพื่อสะ ส, สมแต่ว่าทรัพย์สินเขาสงที่เขาให้มาชาวบ้านถาวายมาต้องรักษาศรัทธาเขาไว้ไม่ใช่ไป ท, ทิ้งเปคว้างไปทําลายทางกําลังใจของชาวบ้านให้เสียไปแต่ของมันมีมากเท่าไรก็ตามจงมีความรู้สึกว่านี่เป็นของของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้อาศัยพระพุทธศาสนาใช้เท่านั้น เท่านี้จิตไม่ก็ไม่ติดในลาบสกาละนี่ต้องทำอารมณ์ให้เต็มสองศีลบา ร, รมีกหมายความว่ามีกำลังใจรักษาศี ล, ลให้ครบพ้นบริบูรณ์ศีลมีกี่สิขาบทเขาอ่านให้ฟังกันครับพูดในฟังกันทุกเย็นตำราตำรามี ไม่จะมานั่งแก้ตัวว่าไม่รู้นะมันไม่ได้ถ้าคิดว่าจะไม่รู้ก็รีบออกไปซี่จากที่นี้เราไม่ต้องการคนที่ใช้คำว่าไม่รู้ว่าสินมีกี่สิขาบทและอารมณ์ของตนจะต้องเป็นผู้เต็มบริศีที่เรียกว่าศีลานุสติกรมรทฐาน สำหรับทานก็ได้กระจายคาโนสติีกรรมฐานนึกถึงการให้ทานการส ง, งเคราะห์อยเสมอใครควรในสิ่งก็ต้นงนมัดระรวางศีลให้บริสุทธิ์ให้มีกำลังใจเต็มอย่เสมอไม่ท้อถอยข้อต่อไปเรียกว่าเนคขมบารมีเนคขมแปลว่าการถือบวชคำว่าบวชในที่นี้ต้องหมายถึงว่าบวชใจ ไอ้บวชกายภายนอกเนี่ยเพียงแค่โกนหัวผมเป็เหลืองเขายังไม่ถือว่าเป็นการบวช ด, ดีไม่ดีก็เรามีสภาพเลวกว่าชา บ, บ้านเขาก็มีนักบวชนะสักแต่ว่าบวชเข้ามาเท่านั้นไม่ประพฤติธรรมระวีในนิเนมะปรมมีตัวนี้ก็ได้แก่การระกิตให้ชนะนิวรห้าอยู่เสมอตือหนึ่ง เราจะไม่มัวเมาในกรมชันทะคือไม่เมาในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในการสัมผัสระหว่างเพศเป็นอันว่าขอ้อนี้เราจะต้องใช้กายกัตานุสติกาสุภกรรมฐานข้าวราดประหารไว้เป็นปกติแล้วก็เราจะต้องระงับความโกรธความเจ็บปวด ความโกรธความเสีย บ, บ่าที้จะต้องไม่มีในจิตของเราเมื่อเอิมันจะมีการงับเส้นโดยเร็วย้ายมันไหลามาทางวาจาหรือว่าไหลามาทางกายวิธีระงับกิเลสตัวนี้ก็ได้แก่การเจริญพรมวิหารสีหรือว่าวันณะกระสินสีได้กระสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาว อันนี้ขอท่านหลายต้องมีกําลังใจเข้มข้นให้เต็มอยเสมอการอยู่ด้วยกันที่บอกว่าเข้ากันไม่ได้ในขาดตนนัวนี้ที่ว่าขาดบารมีก็ไม่ควรจะมีผ้ากาสาวพัติอยู่ไม่ควรจะอยู่ในร่มเงาของกาสาวพัตในเมื่อรบุตเข้ามาเป็นศาสตรพขยทุตกีนรดมีศีลบริสุทธ์ ถ้ามีเป็นศีลปฏิศีลมีอิทธิบาทสีมีบารมีครบอยู่กันยังไงก็อยู่ได้ที่บอกว่ารวมกับใครไม่ได้เขาแสดงว่าความเลวมันมากไมไ่มีสภาวะคืออารมณ์เป็นพระอยู่เลยนี่เนตรธรรมบารมีต่อไปก็ตัดอารมณ์ผู้สร้างตัดความสงสัยด้วยกำลังของปัญญา ต้องเอาอย่างนี้นะให้มันได้นะต้องได้ต้องเตรียมพร้อมไว้อิทิบาทสี่บามรมีสิบต้องพร้อมไว้ก่อนเสมอไม่ใช่จะมันนั่งหลับหูหลับตาภาวน า, ว, างงว่าอย่างงั้าอย่างงี้แต่คุณธรรมที่ดีจริงๆเบื้องต้นไม่ทำไม่มีคราจะทำไปกีโกดตีมันก็ไม่ได้อะไรมีแต่ความเร็วนี่มามาปัญญาบา ร, รมี คือต้องมีปัญญามีกำลังใจทรงปัญญาให้เต็มปัญญานี่รู้อะไรมันดีรู้อะไรมันชั่วต้องใช้ปัญญาพวกเรานี่มันโตกันมากแล้วไม่ใช่ดเด็กปัญญาในขอบเขตของพระพุทธศาสนาหนึ่งสัพปาปัปัจการนังเราไม่ทำความชั่วทั้งหมด ใช้ปญ unu, shows, ul, ัญญาควนคว้าประทำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำส่วนใดชั่วทำส่วนใดดีทำส่วนใดชั่วทำลายล้างให้หมดแยกเกิดขึ้นกับจิตอาใช้ปัญญาคนละวั่นระวังไว้กดเสด็จโสมัทธาทำแต่ความดีทุกอย่างสติตาปริโยตปัญญังทำใจผองใสเรื่มหน่ายการเจริญสมัทาภาวนาและวิปัสสนาภาวนา นี่ปัญญานี่ต้องเต็มเป็นปกติอย่าให้มันบกกรองอย่ามันนั่งใช้คำว่าไม่รู้กันที่นี่ไม่มีคำว่าไม่รู้จำไม่ด้วยเพราะว่าจำหลับจำรามีเทปเสียงก็มีอย่าฟังกันอะไรก็ได้ฟังกันเองโดยไม่ต้องเสียสตังวันละสีเวลาจำหลับจำรายก็มีโดด ย, ยังบอกว่าไม่รู้แล้วก็เชิญออกไปได้ทันที มาวิทยะบารมีความเพียนการต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดกับอารมณ์ใจเราจะทําดีแต่อารมณ์ใจมันชัว่วดีตรงไหนชั่วตรงไหนอารมณ์แก้เขามีแล้วในพระกรรมฐานใช้ความพยายามค้นคว้าอารมณ์ในพระกรรมฐานก็มีทั้งกัขจิตมีทั้งเทพให้รับฟัง มีทั้งเทปสำหรับไปฟังเองมีทานาเสียไม่อยู่แล้วถ้าอารมณ์ชั่วอย่างใดนางไห น, ไ, หนไม่เกิดใช้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่มีคู่กรับกันดูตัวอย่างในจริทกถ้าอารมณ์ความชั่วเกิดกับราคะาจริตรักสวยรักงามก็ใช้กายกัจานุสติหนึ่งอาสุปกรรมฐานสิบเข้ า, ราประหารทหารทันที ถ้ามีอารมณ์นักบนโธสาจริตก็ใช้พรหมวิหารสีใช้พรหมวิหารสีกับเกสินสี่ถ้ามีวิตกจริตหรือว่าโมหจริตก็ใช้อนาพานุสติถ้ามีศรัทธาจริตตัวนําดีตัวนี้เราก็ใช้ ในุสติหคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวานุสติถ้ามีอารมณ์ผ่องใสฉลาดเราก็ใช้มรณาณุสติกมรฐานะฮารีบริโกดสัญญาจตุธาประดังสอุปสมานุสติกมรฐานนี่อารมณ์ชั่วที่เราจะรู้ตัวจะพึงแก้เนี่ยเขามีอยู่แล้วไม่จําเป็น ที่มันบอกกันว่าไม่รู้ไม่ได้ใช้กำลังใจเข้าต่อสู้กับมันความชั่วอย่าคบมันไวยที่มาด้านขันติบารมีความอดทนความอดกลั้นให้กันอนะที่ไม่ต้องต่อสู้กับอารมชั่วในอารมชั่วมันมีอยู่แล้วในการก่อนต่อมาอารมชั่วมันเข้ามาขัดขวางความดีของเราก็ต้องใช้ขันติความอดทนไม่ท้อแท้ ไม่ก่อแปรไม่เป็นคนที่ไร้กำลังของกำลังใจมาสัจเรรมีระยสีความจริงใจไว้เสมอว่านิพานะสะสติกิริยายะเอตังกาสาวังไหเหตวาเรารับผ้ากาสาวาพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งปฏิพันตัวนี้จะต้องเอาจริงเอาจรงกับมันอยู่เสมอเราจะไม่ท้อถอยต่อบริสัทธ์ใดๆทั้งหมด นี่ต่อไปในขั้นอดิฐานเะมัมีค้อความตั้งใจมั่นการสร่งกำลังใจไว้เป็นปกติว่าเราคิดว่าในขณะนี้เราจะเอากำลังชนะอะไรกันแน่เราบวยเข้ามาปฏิบัติกันแบบประเภททีร่รว่าลอยแพรอะไรก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่ถูกอันดับต้นจักอารมณ์อันหนึ่งที่เราพอที่จะชนะได้นั่นก็ได้แก่ อารมณ์ของพระโสดาบันศึกษาอารมณ์ของพระโสดาบันไว้ว่าหนึ่งพระโสดาบันสกายติฐิละได้เพงมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายแน่แต่ว่าไม่รู้เวลาตายพร้อมอยู่เสมอว่าจะตายแต่ก่อนจะตายเราจะส่งความดีด้วยการมีพุทธานุสติกรมมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานเป็นประจําใจ เพื่อป้องกันความทุกข์ในวันหน้าและเราต้องการปันผิดตบายภูมิสีวบยการครือนรกเปตอสุรกายเศรษฐศาสตร์ชานไม่มีกับเราเราจะไม่ไปแดนนั้นโดยการรักษาสิ่งบริสุทธิ์ตั้งใจอธิษฐานเข้าไวใ้ให้อัตรมนี้มาส่งตัวถ้ารมนี้ได้แล้วก็ก้าวไปสู่เป็นพระอนาคามีเลยชัิธาคามีไว้ต้องพลกัน อาาคามีการรวบรวมกําลังใจในกายกึตาโุสติดาสุภกรรมฐานคู่กับปัญญามาประหัตประหารกรรมชันท่าให้พินาศไปจากินไม่ใช่ระงรับไม่ธรรมะบารมีนีร่ระงับนี่ทําลายให้พินาศไปแล้วทําลายกําลังใจที่มีปริฆะที่มีอารมณ์ขัดข้องให้มันหมดไปด้วยอํานาจของ โทมวิหารสี่หรือ้สินสีคู่กับปัญญานี่อดิฐานะมรรมีต้องตั้งจุดไว้อย่างนี้ว่าเป็นระโซนาบันแล้วเราจะเป็นอนาคามีเลยเพราะสกิทาคามีก็มีกำลังเท่าๆกันแต่ยอดมันสูงกว่า น, นิดหน่อยหรือไม่ฉะนั้นก็ตั้งใจมุ่งหวังว่าเราจะเอาอารหัตผลอันนี้ไม่ไม่ไมอยาก ตัวว่าการพิจรารณาคือทำลายที่เล็กคือสังโยชน์ทันการเราทำละข้อเดียวคือขอ้อสกายติธิในการพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาแสงขานวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจงทั้งอารมณ์จิตเราไม่เกาะ อ, อยู่ในขันห้าเราเขก็ไปเกิดเป็นสาระลาน อธิษฐานบารมีต้องตั้งมั่นไว้อย่างเลวที่สุดคมอรมณ์ไม่ว่าเราจะต้องส่งความเป็นประสโสดับันให้ได้ถ้าบาังเอิญมันยังไม่ได้เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติเป็ประโสโดาบันก็ยังมีความดีอยู่มาก <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะทะเอยอทะยานแต่ว่าขอบเขคของพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นมีเมตตาบารมีอารมณ์ความรักตัวนี้มีความสาคัญมาก ความรักนม่ใชหมายว่าความว่าเราจะรักคนก็ดีเราจะรักสัตว์ก็ดีคนเองก็ตามตัวเราเองก็ตามสัตว์เองก็ตามเราจะมีความเห็น อ, อกเห็นใจมีความรักสม่ำเสมอกันถืว่าเขากับเรานี่มีสภาวะเท่ากันมีความตาะนาเสมอกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน เราไม่ต้องเราไม่ต้องการศัตรูชั้นใดคนอื่นละสัตว์เองก็ไม่ต้องการศัตรูฉชนนั้นเมื่อเราไม่ต้องการศัตรูเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับบุคคลเองเราไม่ต้องการความทุกข์ที่บุคคลอื่นจะบรรดาให้กับเราเราก็ไม่บรรดาความทุกข์ให้แก่บุคคลเองเราต้องการความสุขในยการเกื่อกูณจากคนอื่น เพื่อเราเพียงใดเราก็มีความปรารถนาในการเพื่อคนในครอบครัื่นมีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการอรม์เมตตามันก็จะสมบูรณ์แต่ถึงเมตตาบารมีสมบูรณ์นี้ต้องจําไว้นักเล็กไว้แล้วก็ทรงไว้ในใจเสมอๆนี่ก็ทําด้วยมาบารมีสุดท้ายที่เรียกว่าอุเบกขาบารมีวางเฉยเฉยตัวนี้ไม่ใช่เฉยแบบ แบบนั้นอุเบกขาตนก็มีอานสี่เฉยตัวนี้ได้แก่สังขาวอุปเปกขาหยาดคือเฉยในขันห้าว่าเฉยในกฎของกรรมต่างๆเฉยในโลกธรรมคือว่าไม่หวั่นไหวในโลกธรรมไม่ติดในลาภยศเสริญสุขไม่เร่าร้อนมันลาภเสีอมไปยศเสินไปนินทาแล้วก็ทุกเกิดขึ้น มีอารมณ์สบายถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่กฎของกรรมใดๆที่มันเกิดมาเป็นผลของความสุขและความทุกข์ก็ถือว่านี่มันเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องคิดอะไรธรรมดาของชาวโลกเกิดมามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วต่อมาถ้ากันห้าคนเหล่านี้มันถึงที่ต้องแตกสลายไปแล้วก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแก่แล้วก็เช้แก่ ป่อยแล้ว่าเชิญป่อยเสียตายก็เชิญตายฉันรู้แล้วว่านายจะเป็นอย่างนั้นอรบบันดาท่านมโยคาวาจรทุกท่านว่เรามีสิบงประกรารก็ดีแล้วก็อิทธิบาทสีก็ดีเป็นสภาวะที่มีความจำเป็นที่พระท่านทั้งหลายจะต้องทรงไว้ในกําลังใจเสมอและก็ปฏิบัติด้วย ยิงจะช่วยบรรดาพวกท่านหลายพอจะเป็นข้าขึ้นมาบ้างถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันเราสำหรับคืนนี้การแนะนำกันก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านหลายเป็นนั่งทบทวนด้วยกำลังใจไว้ที่บาตรีมีอะไรบารมีสิบมีอะไรอันนี้ต้องทบทวนทุกวัน เตยขึ้นมาเช้าเรียมตามใหม่ใหม่ทบทวนบารมีสิประการอธิบาทสีว่าระบบพ้องอะไรบ้างวันทั้งวันเราต้องไม่ลืมอิธิบาทสีแล้วก็บารมีสิเวลาจะนอนใกล้จะหลับก็พิจารณาใหม่ไว่าอธิบาทสีบารมีสินี้ระบบพร่องข้อไหนบ้างถ้าบกพร่องก็รีบแก้เสียแต่เราสำหรับวันนี้เวลาก็เกนแล้ว ต่อจนี้ไปข้ามันดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจงพากันใช้เวลาของท่านให้เป็นประโยชน์ในการใคล่ยคนในบทประธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระชินว ร, ร, ร, รษษสัมมา ส, มาพพสมัมพุทธเจ้าขอต้องวงกเวลาที่ท่านต้องการสอดี